ขอโมทนากับเราทั้งหลายนะตั้งใจฟังพระสัตย์รมกันวันนี้ก็ทราบข่าวติดธุระกันเยอะแยะเลยนะช่วงใกล้เทศกาลสงการกันในครั้งนี้จะกล่าวเกี่ยวในเรื่องของประวัติของบุคคลหน่อยนะให้เราได้ได้ทำความเข้าใจกันออตอนที่ไปที่สาวัตถีทึ่งอยู่ในควนโกสลทีนี้จะเล่า เรื่องตรงนั้นก็จะดึงเอาประวัติของอุบาสกคือประวัติของอนาถาปินฑิกาเศรษฐีแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติของนางวิสาขาจะได้มองเห็นภาพนะเละอย่างหนึ่งจะได้ดูปฏิปทาของคนที่เขาเป็นอุบาสกและอุบาสิกาที่เขาเจริญกุศลกันเขาเขาเจริญอย่างไรในสมัยครังพุทธกาลเนี่ยนะเมืองสาวัตถีนะั้นตั้งอยู่ในแคว้นของโกศลแควนโกศลก็มีใคร มีพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากปกครองอยู่เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเปอร์เสซนที่โกศลนั้นน่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าต้องการอยากจะทราบว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนั้นน่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไปดูในธรรมติเจติยสูตรจะก็จะเห็นว่าปฏิปทาในกรณีแห่งว่าพระเจ้าเประเซนที่โกศลนั้นน่ะมีความศรัทธามีความรัก ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างมากรักถึงขนาดว่ายามที่ตนเองหรือพระองค์มีความทุกข์ใจเนี่ยนยีก็จะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเยี่ยมแล้วก็ไปเคารพนะไปสักการะไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองหรือไม่ว่าแต่เฉพาะแต่พระเจ้าประเซนที่โกศลเท่านั้นแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากเลยใช่ไหมะจะดูในชนะวสภสูตร ที่ว่าด้วยชนะวสพายักษเป็นพระสะกาทาคามีคติพยากร์เรื่องผู้บําเลอบําเลอชาวบ้านนาที่กาป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นพูดถึงพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นชนะวสุภายักษนะเป็นลูกน้องของท้าวเวสวรรค์เราจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความรักมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างอย่างมากนะนี่ยนี่ในยา น, นี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูในชั้นของพระเจ้าประเสิที่โกศเนี่ย มีความรากักมีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างมากก็ไปดูในชั้นคําสอนที่ทรงมีความระลึกเมื่อตอนเองมีความทุกข์ใจเนี่ยนีก็จะคิดถึงว่าตอนนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่หน้าที่ไหนหนอเนี่ยเมื่อทราบข่าวก็จะต้องไปเฝ้าหรือปราถนาที่จะไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะดับทุกข์ในใจของตนเองที่เกิดขึ้นเนี่ยนีก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมถ้าเรา เกิดความทุกใจขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราที่จะต้องคิดถึงก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าไปคิดถึงบุคคลอื่นก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ในใจได้ใช่ไหมเพราะท่านผู้นั้นไม่ดีจริงนั่นเองอย่างในธรรมเจดีนะธรรมเจติยสูตรเนี่ยที่ในลำดับตรงนี้นะที่บอกว่ า, าพระพเจ้าได้ประ ด, ดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับที่นิคมของพวกเจ้าสักยะที่มีชื่อว่าเมทรุ ป, ปะในแคว้นสักกะ เมทรุปควานสก่าก็อยู่ในกรุงกบิลพัทนั่นเองและก็กรุงเทวทหาสมัยนั้นพระเจ้าเประเซนที่โกศลไปถึงนคร น, นิคมด้วยพระราชกรณิบบางอย่างถามว่าทําไมพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลยิงไปในแฟนสก่าได้เพระเาะแฟนสก่านั้นอยู่ในอนาณาอาณาจักรหรืออาณาเขตของท่านเป็นมหาอำนาจพระเจ้าเประเสซนที่โกศลใ น, เ, นเป็นมหาอานาจ ครั้งนั้นเท้าเธอก็รับสั่งทีฆะกรารยนาเสนาบดีผู้ดูก่อนกรารยนาผู้สหายท่านจงเทียมยานที่ดีๆเข้าไว้เราจะไปภูมิภาคอันดีในพื้นที่อุทยานทีฆะกรารยนะเสนาบดีกรรับสนองพระราชดำรัสแล้วก็ได้เทียมราชายานที่ดีๆแล้วก็กราบทูลในพระเจ้าปเปอร์เสซนที่โกศลขอเดชะพระเจ้าข้าพระเจ้านั้นเทียมราชายน์อย่างดีแล้ว เพื่อให้ใต้ฝ่าละองธุรีบาบาทเนี่ยพร้อมแล้วขอใต้ฝ่าละองธุลีบาบาทเนี่ยอันควรในบัตรนี้เถิดขอเดชะก็รายงานบอกว่าขอให้พ ร, ร, ร, ระเจ้าเป็นนินเนี่ยประทับเธอมียานมีราชรถอย่างดีแล้ะราดับนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงยานพระที่นั่งอย่างดีสเสด็จออกจากนครนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จไปยังสวนอันรื่นลมของพระราชดำเนิน โดยพยานที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพาหนะที่จะไปได้ก็เสด็จลงดําเนินไปในสวนเสด็จพระราชาดําเนินเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นการพักผ่อนได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ล้วนได้น่าดูหน้าชมก็คือว่าเกิดความผ่องใสเงียบสงบปราศจากเสียงอื้ออึงนีปราศจากทางสัญจรไปมาควรแก่การที่จะพึงไปในที่ลับของกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหลายสมควรเป็นที่อยู่ความต้องการของความสงัด ตอนนั้นก็เกิดพระปีติปารารลถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าคนเล่าในเวลาสงบนี่นะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่ตนเองจะคิดถึงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพิจารณาเป็นไปตามลําดับเห็นความสงัดก็เลยดําริว่าสมควรที่จะเป็นที่อยู่สําหรับเราควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลำดับนั้นพระเจ้าประเสริที่โกศลก็รับสั่งทีฆากรยาเยนาเสนาบดีนะบดูกร ทีคักรายนะผู้สหายต้นไม้เหล่านี้ร้วนหน้าดูหน้าชมนะทำให้เกิดความผ่องใสได้เอ๊ะทำไมพระเจ้าเปรตที่โกสจ ร, จริงจงหาความสงบที่จริงท่านท่านผิดพลาดในการในราชกิจเนยกิจท่านเกิดระแวงพันตุลาเซนาบดีซึ่งเป็นปุโรหิตชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มลูกชายประมาณสาสสสองคนประมาณเนะพราะเกิดระแวงขึ้นมาก็ กคงจะช่วงชิงอำนาจนั่นเองเป็นเรื่องปกตินะคนเป็นใหญ่เนี่ยสะดุ้งสะเทือนก็กลัวเก้าอี้ล้มเนี่ ย, ยถ้าใครมีเก้าอกกี้ก็ลำบากใช่มมีสถานะทางสังคมเนี่ยเพราะว่าสถานะเหล่านี้มันไม่เที่ยงยจรยิงเป็นสถานะที่ใครๆก็ปราถนาเนี่นี่ก็เหมือนกันท่านก็ระแวงสหายก็เลยแซงให้ไปปราบศัตรูในชายแดนแล้วก็ ทรงกองกําลังล้อมกขไว้แล้วก็ฆ่าตายเครื่องเลยการอยู่ใกล้ผู้มีอานาจเป็นอย่างนี้นะระวังตัวไม่ดีก็ตายนะอยากอยู่ใกล้ไหมต้องฉลาดคนที่อยู่ใกล้คนดีมีอำนาจถึงไรถ้าถ้าไม่ฉลาดก็ลําบากเลยเย้ลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โคศนเสด็จขึ้นยานพาหนะที่นั่งอย่างดีเสด็จจากนิคมโดยกระบว น, รรานกา ร, รอพระราชยานอย่างดีเสด็จไปยังนิคมของท้าเจ้าสักยะ ชื่อว่าเมนทรุป ะ, สะเสดถึงนิคมนั้นโดยไม่ถึงวันเลยแสดงว่าจากแหวนโกศลไปแหวนส ก, กาเนี่ยไกลมากนะแสดงว่ายานพานานี่เร็วมากท่านใช้คำว่าเป็นยานพานะอย่างดีไม่รู้เป็นอะไรสะแสดงว่าจะเป็นม้าก็ม้าเร็วมากๆเลยเ่เส้นทางก็ต้องเป็นเส้นทางที่สะดวกมากด้วยการคมานาคมไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ถึงวันเนี่ยสามารถสเสดไปถึงได้ ถ้าในทุกวันนี้นะเอานั่งรถอย่างเราๆเลยนะจากสาวัตถีไปกะบุลพัฒน์เนี่ยวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนี่ก็คือรถก็วิ่งอยู่ประมาณสักแปดสิบกิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงประมาณนั้นสิบสองชั่วโมงไกลไหมแบบนี้เพราะรถก็วิ่งเร็วไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นทางเร็วๆน่าจะน่าจะไวกว่านี้หน่อยพอไปถึงนะตอนนั้นก็คือพระเจ้าเปรเซนที่โกศนก็ ภิกษุนั้นกําลังเดินจงกรมกันอยู่พระเจ้าเประเสซนที่โกศลก็ไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าไปถามไปที่ไหนข้าพรเจ้าประสงค์จะไปเฝ้ารพรุทธเจ้าว่างั้นภิกษุเหล่านั้นก็ถวายพระพร ว, ว่าดูก่อนมหาบาพิษนั่นพระวิหารทวารปิดเสร็จแล้วเชิญมหาบาพิษเงียบเสียงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงระเบียงแล้วทรงแกแอมเคาะพัทธวานเข้าถือ บอกให้เดินเบาเานะตอนนี้พระศาพระบรมศ า, ส, าสดาปิดปิดประตูแล้วแต่ให้เดินเบาๆไปพอไปถึงประตูก็ค่อยเคาะเคาะประตูอยู่ที่เบิล่าพัด ป, ประยูรายาธนะพอพอพอพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็เดินเบาๆเข้าไปแต่การการไปเนี่ยถ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปเฝ้าบริยาลเนี่ยเนี่ยต้องถอดเครื่องบรรณาการทั้งหมดเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งหมด จะต้องไปในชุดสามัญชนโน่นนั้นแล้วก็เอากองกำลังเข้าไปไม่ได้ด้วยนี่คือพระเจ้าเนี่ยอย่างถ้าทุกวันเนี่ยนะระดับนายกรัฐมนตรีระดับผู้นำทั้งหลายก็เอาท้าพทั้งหลา ย, ยแต่งชุดเข้าไปในวัดได้ไหมเต็มกันหมดบางทีใส่รองเท้าเข้าไปด้วยจะไหแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไปเฝ้าพระเจ้านี่ก็เข้าไปพอเข้าไปถึง ระเบียงแล้วทรงไกแอมข้อพัฒวานเถิดพระเจ้าบอกว่าล้ำดับนั้นพระเจ้าเปอร์เซ์ที่กศลก็มอบพระแสงขันและอุณหิตแก่ทีฆะการยนะเสนามดีวนาที่นั้นก<ค>็แปลว่าอำนาจทั้งหลายก็ให้อ ม, มาดให้ปูโรหิต ด, ดูแลนั่นเองเรื่องตรงนี้ที่จะเล่าก็เล่าตรงนี้นะครั้งนั้นทีคยน เสนาบดีดําริว่าบัดนี้พระราชาจากทรงปรึกษาความรับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แล้ ว, ลวก็เลยดําริต่อไปบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ลุงเราจะถูกฆ่าเนี่ยก็พระเจ้าปอร์เซนที่เนี่ยไปปรึกษากับพระเจ้าเป็นแน่แท้พันธุล่เสนาบดีแล้วก็สะดุ้งเลยเราคงโดนเล่นเหมือนลุงแน่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราแวงแล้วเราคงโดนเล่นแน่งานนี้ คงจะไปปรึกษาราชการรับกับพระพุทธเจ้ากลับมาคงง่ายทหารคงจะวางแผนเรื่องงานเราอีกแล้วเนี่ยถ้าคนคิดอย่างนี้ตอนนั้นนะถ้าจะพูดถึงเนะีน่ยะว่าในชั้นคําสอนถ้ามองเนะี่ยพันธุราเสนาบดีพร้อมด้วยบุตรสาสสองคนนางมาริกานะั่นน่ะภรรยาของพันธุราเสนาบดีทูลนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงห้าร้อยใช่ไหมตอนนั้นพันธุราตายแล้วโดนฆ่าตายพันธุราเสนาบดีพร้อมด้วยลูกชาย32คน ในวันที่พันธุลาเสนาบดีตายแล้วก็ลูกชายสามสิบสองคนตายนั่นน่ะนางมาริกานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองห้าร้อยมาที่นิเวศของตนเองทําบุญน่ะแต่ในขณะที่ทาบุญอยู่นั้นก็มีสานังสือนังสือนังสือคนใช้เอานังสือมาให้ดูพอดูนังสือเสร็จปุ๊บนางก็ตกใจเลยเออมันมังไม่ได้ตกใจนางอ้างบิเศ็จนางก็ซ่อนเขาไว้ซ่อนที่หอบพกไว้ ใส่ตะกร้าหรืออะไรเนี่ยนะนั่แหละใส่ตะกร้าบอกว่าสามีตายลูกชายทั้งสามสองคนก็โดดตายในสงครามหมดเลยพันธุราเซนาบดีนคนนางมาลิกามีหลายคนนะมีหลายคนมาลิกาซึ่งเป็นเป็นพระมเยสีของพระเจ้าป็นเซนที่ด้วยนั่นก็คนชื่อเหมือนกันทีนี้พอนางเห็นอย่างนั้นไปเสร็จนางก็จิตใจก็ตั้งมัน่นอย่างเราถ้านั่งฟังทำอย่างเนี้ยมีใครเขียนหนังสือมาบอกว่าลูกชาย ตายแล้วเราจะมีความสึกไงนี่ไม่จะนั่งฟังทำต่อไปไหวไหมไม่ใจเบาขนาดนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าไฟไหม้บ้านหมดแล้วจะทําไงจะรีบกลับตาลีตาเหลิกเดี๋ยวนี้ไหมไม่ต้องไม่ถึงเอเป็นลมตรงนี้อะไรเนี้ยลมพับที่ตรงนี้ชะมาบ่งบอกเนี่ใจใจต่างกันเลยเข้าใจอย่างแต่เนี้ยใจเราเนี่ยเบามากไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกลองคิดดูดิศรัทธาเรามีน้อยนิดมากๆ น่าไว้ใจไหมว่าพบต่อไปเราควรจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยดูตรงนี้สามีลูกตายหมดเลยเนี่ยต่อมาที่ว่ามีคนใช้ถิ่ทำของตกแล้วก็ล่วงหล่นชาบเนี่ยต่อมาพระเจ้าก็แสดงเธอก็ะประกาศบอกว่าจิตใจของเธอไม่หวั่นไหวเธอก็เล้หนังสือมาวางต่อหน้าพระปู่บากเจ้าถวายรายงานว่าโอคนใช้มาบอกว่าสามีแล้วก็ ลูก32คนตายใจยังไม่เสียเลยใจยังไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวเลยว่าตนเองยังปาโมดปีติให้เกิดที่ฐานอกุศลด้อย่างตั้งมั่นก็ไปฝึกคิดแล้วไปฝึกทำด้วยไม่ใช่แค่สักแต่ว่าฟังเอาไปฝึกทำกันเสียอันนี้ไม่ใช่ฟังเล่นๆนะถ้าพัฒนาจิตไม่ได้อย่างนั้นถ้าพัฒนาจิตไม่ได้อย่างนั้นเ้าเรียก <le> ว่า <t> เป็นค <t> ู่มีจิตอ่อนแอใช่ไม เมื่อเป็นผู้มีจิตอ่อนแอเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างดังมัน่นจริงๆนั่นเอ ง, ย, ง, ย, งยังเหลือไกลไหมไกลไม่ใช่มาท้อโอ้ยไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะอละตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่นางก็ยังบอกเลยว่าพวกเจ้าจะได้ทําให้แพ่งพลายแก่มหาชนแล้วก็หนังสือนั้นใส่ห่อพกเขาไว้อังคาดพระภิกษุสงฆ์ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยกหม้อสปิ หม้อหนึ่งเผิญหม้อสปี่นั้นก็กระทบกระทรณีประตูแตกรับสั่งให้นำหม้ออื่นมาอังคาดพระภิกษุสงฆ์พระบระมศาสดาฉันพัฒกิจเสร็จแล้วจึงตรัสว่านางไม่ควรคิดเพราะเหตุหม้อสปีแตกนะก็คือสปีก็พวกเนยใสเพื่อเป็นเหตุให้ตั้งคาถาขึ้นพทธเจ้ารู้แล้วใช่ไหมพรธเจ้าจะได้ตั้งคาถาตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา จะได้ปลารบไปดูว่านี่อุบาสิกาของพระพุทธศาสนาเต้องเป็นแบบนี้อาทีนั่งอย่างนี้เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าหมต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่มานั่งงอยๆอยเงาเงาเศร้าเศ้าซึมซึมเสื่องเสื่องเนี่ยนี่ไม่ใช่อุบาสิกาของพระพุทธเจ้านั้นต้องสมนะที่เป็นไปกับมหากุสลถ้าเป็นอุบเบกขาก็เป็นอุบเบกขาที่ผ่องใส ไม่ใช่นั่งซึมเศรา้าเหงาหงอยเหมือนคนใกล้จะล่วงไม่ล่วงแหละนี่ไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่ขยอนไปยอมนอบโอ้งั้นเนะ่ยเป็นอย่างไั้นาะนั้น <c oughs> น, า น, น, นางมาริกาก็นํานหนังสือเพื่อประกาศความยืนยันว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรยัยทั้งกายวาจาและทางใจด้วยและเป็นผู้ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยด้วย ออกมาวางตรงหน้าพระพักของพระบรมศาสดากราบทูลอย่างอาถรรพ์เลยบอกว่านี่เป็นข่าวการตายของเสนาวดีกับลูกสามสิบสองคนพระเจ้าข้าเนี่ยหม่อมฉันไม่ได้คิดแม้รเรื่องนี้เหตุไรจะคิดแค่ม้อสปีแตกเล่าพระเจ้าข้าก็ขนาดสามีตายไปหนึ่งลูกตายไปทั้งสามสิบสองยังไม่คิดเลยอะ่ะทำไมม้อใบเดียวแตกจะต้องมานั่งเสียใจทาไมใช่ไหม ถ้าลูกนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วตกตูมนี่คอหักนั่งฟังธรรมตายปล่อยไปทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมบอกครั้งเดียวตายไม่เป็นไรนั่งฟังธรรมเฉยพวกวิ่งหนีหมเลย<笑><笑>บอกเออไม่เอาแล้วผีนั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้ได้จริงไหมเดี๋ยวข้อเท็จจริงไม่เลยนางมารีกาถ้าคิดไปแล้วเนี่ยถ้าดูระดับจิตขนาดนี้ น่าจะเป็นระดับจิตอย่างนี้นี่เออแต่ถ้าเราดูนว่าได้อีกสูตรหนึ่งนะที่จริงมันไม่มีมเวลาน้อยถ้ามาจะบรูรณาการให้ดูจะเห็นเนี่ยว่าเวลาท่านไปกันนะที่ไหนเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาไปกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยล้วนแต่อย่างต่ำพระโสดาบันแล้วอย่างบางบางพวกก็เป็นยังเป็นปุรุชนอยู่นะแต่ก็เป็นพวกขนขวายอย่างแรงกล้า ข้นควายอย่างแรงกลาง้าคือเขาจะตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นกันมากกรณีแห่งการที่ว่าข้นขวายว่าข่าวมันจะออกตลอดใช่ไหมหรืว่าจะเป็นพายยะเยอะไปหมดเนี้ยในกรุงราชครือก็เยอะมากบางทีทั้งหมู่บ้านเลยบางส่วนนี่เนี้ยพระโสดาบันบังสกบาัาคาพระนาคาโดยเฉพาะถ้าพระนาคาก็จะน้อยลงพระสกาธาคาก็จะระดับปานกลางแต่พระโสดาบันนี่เยอะมาก ห้าร้อยหกร้อยเปลือนพันเนี่ยจะมีหลายสูตรหลายที่แล้วที่ไปกันเป็นกลุ่มกลุ่มกลุมนี่มันน่าตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าไปที่ไหนถามแต่ละคนก็โอ้โหไม่มีเลยกลุ่มบกฟังถามก็ยังโอ้โหดูนะน่าเศร้าใจตรงนั้นก็คือว่าพระบรมศาสดาก็เลยแสดงบอกว่า <c oughs> ให้ปฏิสังยุตด้วยสามัญยลักษณะคือความไม่เที่ยงให้พิจารณาบอกว่าสภาพของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูก่อนนางมริกาอยากคิดมากไปเลยธรรมดาในสังสารวัตรแม้ที่สุดและเบื้องต้นอันใครๆตามรู้ไม่ได้ตามเห็นไม่ได้ย่อมเป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็เสด็จกลับเลยนี่นางมริกาเรียกโลกสภายสามสิบสองคนมาให้โอวาทเลยหลังจากพรบรมศาสดาเสร็จก็เรียกมาเป็นผู้นําเลยเห็นไมเนี่ย เขเรียกเป็นแม่ทัพเลยเดินเป็นแม่นับแม่ทัพเลยให้โอวาดหลังจากพระบรมศาสดาสเสด็จกลับแล้วตอนนี้ก็ให้โอวาดคิดว่านางจะให้โอววาดยังไงนางจะให้โอวาดยังไงนางจะให้โอวาดไหมบอกว่าพวกเราเนี่ยถูกฆ่าสามีถูกฆ่าสามีของพระเจ้าถูกฆ่าหมดแล้วสามสิบสองคนฉะนั้นจงส่องสูงกําลังเป็นกบฏ นางจะให้อวาบแบบนี้ไหมไม่เลยนางจะพูดเรื่องว่าเวทย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวทนะจงให้อภัยใช่ไหมอะไรนะอย่าอย่าเห็นแกสั้นอย่าเห็นแกยาวว่าไงเนี่ยอย่าเห็นแก่สั้นแปลว่าอะไรนะอย่าเห็นแ ก, นะนแกสั้นแปลว่าอะไ ร, นะอ เ, ไอะไรเอาช่วยคิดหน่อยที่ไม่ชี้บวชมานานแล้วอย่าเห็นแกสั้นแปลว่า อย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาเนี่แปลว่าอะไรเนี่ยอย่าเห็นแก่สั้นก็คืออย่าอย่าแตกอย่าแตกจากมิตรเร็วนักอย่าเห็นแก่ยาวก็แปลว่ายังไงอย่าอาฆาดอย่าคาดจองเวรกันจนยืดเยื้อแล้วเราเป็นยังไงเนี่ยเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นเราเป็นคนที่แตกกับมิตรได้เร็วไหมเร็วไหม นี่พวกเห็นแก่สั้นเห็นกันนิดหน่อยก็แตกกันแล้วเดี๋ยวก็แตกกันแล้วทะเลาะ ก, กันบ่อยมากบางทีทะเลาะไม่ดูตามมาตาเรือเลยทะเลาะ ก, กับพ่อกับแม่ก็กล้า น, ะ น, นวงกนไม่ดูเลยไม่ขนาดนั้นก็ไม่รู้ ก, รก็เรียกไม่ดูตามมาตาเรือไปทะเลาะ ก, กับใครเข้ายัางไงแทําทำไมเล่นของสูงยัง ชอบเล่นของสูงชอบเล่นกับผู้มีประกาศลักคุณบางคนตะเลิดเล่นพระเจ้าสงฆ์จะไปฝ่ายอะไรแต่นี้คือ <c oughs> <c oughs> นางก็ให้โอวาดในลักษณะว่าอย่าไปอ า, อาฆาตจองเวรให้อภัยชาพุทธเป็นแบบเนี้ยชาพุทธจะไม่ก่อตนเองเป็นศัตรูอะไรกับใครเล ย, เยข้าพระจ้าพุทธในนี้คือพระเจ้านั่นเองอยู่ต่อมาพร ะ, พ ร, ะาราชารับสั่งให้นางมริกาเข้าเฝ้านะ้น ตรัถามว่าในระหว่างเสนาวดีกับเราในโทษที่แตกกันนมีหรือไม่ก็เลยถามเกิดระแวงขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าประสเซนที่โกรธสก็เรียกนางมาริกาเนี่ยพร้อมด้วยนั่นแหละสะพายทั้ง32สองคนของนางมาริกาเนั่นแหละเข้าเฝ้าเลยถามหน่อยไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตนเองทํำด้วยความวู่วามไปเนี่ยว่างเงินดานองอย่างนั้นเนี่ยว่ามันได้ข่าวบ้างไหมว่าสามีของเธอนี่ว่า แตกแยกไหมมีเรื่องราวใดๆเป็นเหตุไหมเราถามนางบอกไม่มีพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหเราฆ่ามิตรใช่ไหมเราประทุษร้ายมิตรซแล้วนี่อะไรคือสาเหตุทำให้ทุกใจที่ไปเฝ้าพระเจ้าในธรรมเจติยสูตรนี้และครั้งเนี่ยที่เป็นการไปครั้งสุดท้ายของพระเจ้าเปรตที่โกศล ให้สังเกตดูนะพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลตอนนั้นพระชนมายุแปดสิบแล้วและพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลเนี่ยมีพระชนมายุเท่ากันกับพระบรมศาสดาตอนนั้นแสดงเห็นชัดว่าพระบรมศาสดาก็ใกล้ที่จะบริญญาแล้วเนี่ยเราก็จะสืบเชื่อมโยงในคําสอนตรงนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะแล้วตอนนี้แหละพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลก็ไปสริเสริญพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระไตรถึงเนี่ยนะ พระราชาทรงปรึกษาความรับเป็นต้นเหล่านั้นเป็นแล้วก็ค่อยๆไปพอไปถึงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไปเปิดพระเจ้าประเปรตที่โกศลเสด็จไปยังพระวิหารทรงซบพระเสียนลงแทบพยุคนบาทของพระบรมศาสดาแล้วก็จูบพยุคนบาทของพระผู้มีพระเจ้าด้วยพระโอษฐ์โคดีเดียจะเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมถ้าทุกวันนี้เขาไม่ถึงขนาดใช้นั่นแหะเขาจะใช้มือแตะที่เท้าแล้วก็มาแตะที่หน้าผาก แตะนะมแตะที่หัวก็าเขาจะทําอย่างนี้แหละถ้าไปนี่นะต้องยิ้ต้องนะจะเป็นดิโยมผัวเฟือง่เป็นโยมผู้หญิงเคยมาจับเท้าพระนเนี่ยก็มาก็ามาเรียงจับกแล้วก็ไปจับหัวเขาจับก็ไปจับหัวเขาอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โระเพรนี้เขาปแปลกดีแต่ถ้าว่าเป็นโยมผู้ชายโยมผู้หญิงก็จะไม่ถูกจับไม่ถูกนี่ท่านไปจูบนะพระยุคนบาทของพระผู้มีพระภาคเจา้าด้วยพระโอษฐ นวดพระยุคนบาทด้วยพระหัตต์ทรงประกาศพระนาวพระขาแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นคือพระเจ้าเปอร์เซนที่โคศนประกาศนี้สามครั้งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นคือพระเจ้าเปอร์เซนทีโคศนคคคหม่อมชั้นคือพระเจ้าปอร์เซนที่โคศนพระพุทธเจ้าตรัสถามมาดูก่อนมหาบาพิษมหาบวพิษทรงเห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงกระทําความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งถึงปานนี้ในสรีละนี้ และทรงแสดงอาการฉันธมิตรทำไมนอบน้อมในสรีระของพระตถาคตเลอเกินแล้วทำไมนอบน้อมเลอเกินใช่ไหมใช้จูพระบาทของพระเจ้าแล้วก็นวดนวดนวดวันพระนี่นะเวลาท่านทำวัดกันเบิเอินเวลาต่อหน้าโยมก็จะไม่ทำ พยมกลับกันในเบสเ็ตเนี่ยพระไปหากันที่พระเขาศึกษารักษาพระวินัยนี่นะหลังจากพโยมกลับไปแล้วท่านแกจะมากราบบางทีท่านไม่กราบนท่านมาท่านก็ปล่อยก่อนให้พระเถรละคุยกับญาติโยมไปพอญาติยมกลับไปปุ๊บเนี่ยท่านจะมากันเป็นแถวเลยมาก็จะกราบกลราบเสร็จก็จะนวดนวดนวดนวดเท้าพระเถรละใครที่รักษาแกกว่าเขาก็จะนอนนวดนวดนวดแล้วก็จะทําวัดกันตามลําดับนะแต่ละองค์แต่ละองค์งก็จะทําวัดกัน เขมากราบแล้วก็นวดพันกราบแล้วก็นวดมีความสุขไลยพระอยู่ด้วยกันพราะมีอยู่มีความสุขเขาคุยกันเสรขามีความสุขนี่พระที่รักษาวินัยเขาเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะนั้นถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันเน้่ก็ยังมีความสุขมากแต่ละองค์มีความสุขคุยกันปารบกันพระธรรมวินัยก็เอาอาสนะมาปูนั่งคุยสนทนากันก็สนทนาพระธรรมกันแล้วแต่เนี้ย ปิดประตูผิดอะไรต่างคุยกันเดึอดเือสนธนาว่าเทาวมีความสุขเมื่อแต่โดยมากก็ถ้าญาติยอมไปค่อยพากันหลบปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊บปุ๊บใครเป็นพระเตลาโอเหนื่อยตายเลยต้องก็ต้อนรับแขกมางที่้าวก็ต้องเออท่านเคยรับแกผมดับท่านผมหน่อยแล้วก็เนีย่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้พาเขาไม่คชอบรับแขกกันนะไม่ใช่ไปชอบรับแขกนะอย่าลืมนะไปรับแขกคุยที่ไป่องไกล่าวพระธรรมก็ยังวาว่าใช่ไหม ไม่ไปคุยนั่งฟังโยมคุยพารนาการมาคุณให้พระฟังพระก็นั่งฟังไว้เอ้อไหนบ้านเป็นอย่างนู้นอะไรเป็นอย่างนี้ก็ไล่ไปใช่ไหมพระก็นั่งมึนเป็นแถวบาประกรรมเลยมานั่งฟังปัญหาโยมเลนะแล้วก็ไปบอกโยมอย่าไปกังวลพระที่เจ้าสอนอย่างนี้เราก็พยายามแทรท่านไม่รู้อะไรแล้วก็ท่านมัวบวชตั้งนานไปเลยคนละเรื่องเลยเนี๋ยลําบากไหมเป็นพระเนี่ย นั่งเกลี่ยดูดิร้อยร้อยละแปดสิบเก้าสิบตอนนี้ยศริก็พระนี่เป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะบรรดาผู้นำรับฟังปัญหาโยมเยอะบางทีในหมู่บ้านเลยใช่ไหมใครมีปัญหาอะไรก็ลหลวงพ่อที่วัดหลวงตาที่วัดนี่นั่งฟังมอนเงนเออคนที่เป็นเจ้าว่าเนี่ยถูกสาบแช่งมาเนะยคนเป็นผู้นำมาทั้งหลายเลย ไปรักเง่าบัวเขาังในช้าดกมาไปดูสิเขาก็สาบแช่งกันไว้บอกว่าใครรักเอาเง่าบัวไปขอให้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆแล้วมีบริษัทบริวารเยอะๆให้มีลาบสการะเยอะๆแล้วจงติดอยู่อย่าออกจากสิ่งนั้นได้เลยนะถูกสาบแช่งกันไว้ แล้วแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใครลักเง่าบัวไปก็ขอให้ไปมีครอบครัวที่อยู่ดีกินดีเราออกไม่ได้ให้ยึดติดอยู่งนั้นนยอมนอกก็โดนโดนสาปแช่งนะ <c oughs> ให้มาห่วงสมบัติอยู่งั้นเลยอย่าออกจากสมบัติได้ไปดูในะชาดกเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆเขาไล่ไปตามลําดับเลยนะยอมนะนั่นคนที่ตั้งแต่มีครอบครัวไปจนยันนูนะ่นเนี่ยปกครองเป็นใหญ่เป็นโตจนถึงเจ้า ว, วาดเนะี่ย เออพวกนี้รักเงาบัวเข้ามาโดนสาบแช่งเอามาเลยไม่กล้าเลยไม่เอานี่กว่าไม่เอาหรอกพวกนี้พวกรักเงาบัวอไปดูในชาดอกไหมล่ะพิงศกาชาดกใช่ไหมเออไปดูในพิงศกาชาดอกเลยไปดูสินั้นรักเงาบัวก็มาโดนสาบแช่งไว้น่ากลัวไหมแล้วก็ติดอยู่นั่นแหละไปไหนก็ไปไม่ได้มาฟังทำก็มาไม่ค่อยได้เราเป็นห่วงรับ ห่วงบุตรห่วงภรรยาห่วงสามีห่วงลกูกห่วงหลานห่วงอะไรกันอยู่นั่นแหละยึดยองอีลงตรงนั่ง น, <c oughs> น่ากลัวแท้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้โดนสาบอีกเลยเนยะเข็ดลาบเลยเป็นหัวหน้าคนอยู่เลยไปอยู่ที่ไหนอันนี้เรื่องจริงนะในคำสอนมี แต่แต่คนชอบแสวงหากันเพราะว่าอัตยาใสยก็จะต้องไปแสวงหาตรงนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสตรงนี้เนี่ยนะพระเจ้าประเสิทิ์ทีโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสนะหม่อมชั้นนั่งเห็นสำนาพราหม์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์กําหนดที่สุด10บปีบ้าง20ปีบ้าง30มสิ ป, ปีบ้างแล้วก็สีสปีบ้างสมัยต่อมาสำนาพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ําดํำกล้าวรูปไร้ย่างดีแต่พอแต่ผมและหนวดบําเลอตนให้อบอิ่มพร่งพร้อมไปด้วยเบญจา ก, กรารมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ข้แต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมชั้นได้เห็นพิสูจทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์เส้นเชิงมีชีวิตเป็นที่สุดจนตลอดชีวิตเลยอะและหม่อมชั้นก็ไม่ได้เห็นพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ก็บอกไปเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยอะบางกลุ่มก็บำรุงบำรเรย